วันนี้พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมกันอีกหนึ่งครั้งมาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมด้วยความยินดีเพราะความยินดีในธรรมเป็นความยินดีที่จะชนะความยินดีทั้งปวง เพความยินดีในธรรมจะทําให้เราได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือรถของความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองรถแห่งธรรมก็คือรถของความสงบการยินดีในธรรม จะทำให้เราได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมธรรมที่เราควรจะยินดีมีอะไรบ้างก็มีดังต่อไปนี้หนึ่งความมักน้อยสองความสันโดษสามการปริวเวกสี่การไม่คบกคลีกัน ห้าการทำความเพียรหกศีลเจ็ดสมาธิแปดปัญญาเก้าวิมุตติความหลุดพ้นและสิบวิมุตติญาณทัศนะญาณอย่างทราบถึงการหลุดพ้น นี่คือทำสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาธุชนพุทธบริษรัทให้มีความยินดีกันเพราะจะนำไปสู่ลดแห่งธรรมลดแห่งวิบุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เกิดจากทำทั้งสิบประการนี้ทำข้อที่หนึ่งคือความมากน้อยคือให้เรามีความต้องการให้น้อยที่สุดคำว่าน้อยที่สุดก็คือต้องการสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเท่านั้นแล้วก็ต้องไม่ไม่ต้องมีมากพอ มีพอที่จะยังชีพได้ก็พอก็คือปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคตัวอย่างของผู้ที่มักน้อยในสันักน้อยในในเรื่องของปัจจัยสี่ก็คือพระที่บวชในพระพุทธศาสนานี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มีอัฐบริขานที่เปรียบเหมือนกับเป็นปัจจัยสี่ของนักบวชให้มีเพียงแดชิ้นก็พอคือหนึ่งบาทหนึ่งใบบาทนี้ก็เอาไว้เพื่อสำหรับบินทบาทเป็นการเลี้ยงชีพเป็นการหาอาหารมาเลี้ยงร่างกาย หใบหนึ่งชิ้นเครื่องนุ่งห่มก็ให้มีผ้าสามผืนหนึ่งสำหรับคือหนึ่งชุดคือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนรวมเป็นสามชิ้นสําหรับเครื่องนุ่งห่มของผู้ที่มีความมักน้อยมีเพียงหนึ่งชุดก็พอ รวมกันเป็นสี่บาทหนึ่งใบบาทเป็นอาหารจีวรผ้าไตรจีวรผ้าสามผืนเป็นเครื่องนุ่งห่มสี่เช่นแล้วก็ให้มีเข็มกระได้ไว้สำหรับเย็บซ่อมจีวรผ้าที่ขาดให้มี คเอก็คือที่รัดเอวเพื่อจะได้กันไม่ให้ผ้าหลุดนี่ก็เป็นชิ้นที่หกชิ้นที่เจ็ดก็คือให้มีใบมีมีมีดโกนหนึ่งอันไว้สำหรับตรงผมตรงหนวดแล้วก็ชิ้นที่แปดก็ให้มีที่กรองน้ำหนึ่งหนึ่งอัน ไว้สำหรับเวลาตักน้ำขึ้นมาจากลำธารลำห้วยจะได้ไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยนี่คือสมบัติที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของนักบวชที่เรียกว่าอัถบริขารเวลาบวชนี้ผู้ที่มาบวชนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้มีสมบัติเพียงแดชิ้นนี้เท่านั้น สมบัติอย่างอื่นให้สละให้ยกให้คนอื่นไปให้หมดลาบยศสารเสรินความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทรงให้สละไปให้หมดผู้ที่มาบวชนี้ไม่ให้เอาลาบเข้ามาไม่ให้เอายศเข้ามาไม่ให้เอาสรรเสรินไม่ให้เอารูปเสียงกลิ่นรสปวดจระเข้ามา ให้เอาเพียงอัถบริขารสมบัติแดชิ้นของผู้ของนักบวชของผู้ที่มีความมาักน้อยส่วนที่อยู่อาศัยก็ทรงสอนให้อยู่ตามโคนไม้สมัยก่อนนี้ไม่มีกุฏินักบวชบวชแล้วก็ไปอยู่กันในป่าอยู่ตามโคนไม้เอากิ่งไม้เอาก้านไม้ มาทําเป็นเพลิงหลบแดดหลบฝนอยู่ในป่ามันดีเป็นที่สงบที่เหมาะต่อการบําเพ็ญต่อการเจริญธรรมนั่นเองหรือถ้าไมเช่นนั้นก็อยู่ตามถ้าตามเงื้อมผาหรืออยู่ตามเรือนร้างไม่ให้วุ่นวายกับการหาที่อยู่อาศัยสร้างที่อยู่อาศัย ให้ยินดีตามมีตามเกิดให้มักน้อย mm hmm. อยารักษาโรค ก, ก็ใช้ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสวะ mm hmm. นี่คือความมักน้อยของผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะสัมผัสกับรสแห่งธรรม เพราจะได้ไม่มีเรื่องราวมาขัดขวางการบาเพ็ญ น, นั่นเองถ้ามีของมากก็เรื่องก็มากเวลาที่จะบาเพ็ญก็จะน้อยลงไปจึง ส, งสอนให้มีน้อยๆไปไหนก็ไปสะดวกง่ายดายรวดเร็วเพราะการบาเพ็ญอาจจะต้องมีการย้ายสถานที่เปลี่ยนสถานที่ไปหาที่สงบสงดัดวิเวก เพื่อการบำเพ็ญสามณญธรรมนี่คือตัวอย่างของความมากน้อยของผู้แสวงหารถแห่งธรรมนต้องให้มีน้อยที่สุดมีเท่าที่จําเป็นอย่าไปมีมากไปกว่านั้นเพราะจะเป็นภาระไปเปล่าๆต้องมาคอยดูแลรักษาต้องคอยหาหมา อันนี้คือความมักน้อยข้อที่หนึ่งทำที่ผู้บำเพ็ญควรจะยินดีให้มีความมักน้อยข้อที่สองให้มีความสันโดษคือให้ยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะไม่พอก็ไม่เป็นไรอยู่ไปตามมีตามเกิดเช่นอาจจะขาดสิ่งนั่นบ้างขาดสิ่งนี้บ้างถ้าไม่ตายก็ ไม่ต้องไปกังวลกับมันอดมือ้อกินมือ้อมีกินก็กินไม่มีกินก็อดไปภาวนาไปความหิวส่วนใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายอดอาหารสองวันสามวันก็ไม่ตายถ้าทำใจให้สงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปเหลืออยู่แต่ความหิวของร่างกาย ที่ไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวของใจให้ยินดีตามมีตามเกิดอย่างพระบินตบาทเนี่ยยินดีตามมีตามเกิดใครจะถอยอะไรใส่บาตรอะไรก็ให้เขาใส่ไปไม่มีการพูดการบอกว่าจะเอาสิ่งนั้นจะเอาสิ่งนี้จะเอากี่ชิ้นกี่อันเราจึงมีธทรเนียมว่าตักบาตรอย่าไปถามพระ อยากจะถอยอะไรอยากจะใสอะไรใส่ไปท่านสันโดษท่านยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปส่งเสริมกิเลส ต, ตัณหาของพระด้วยการถามว่าท่านต้องการจะฉันอะไรเพราะถ้าถามแล้วก็จะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาอยากจะฉันอันั่นอยากจะฉันไอ้นี่ขึ้นมา เพราะฉะนั้นทำเนียมท่านถึงพูดไว้ว่าตักบาตรอยากถามพระเรามีศรัทธาอยากจะถวายอะไรก็ถวายไปท่า น, นมีหน้าที่จเจริญสันโดษทำท่านก็จเจริญสันโดษไปได้อะไรมาก็ยินดีตามมีตามเกิดเพื่อจะทําให้ใจไม่วุ่นวายนั่นเองถ้าอยา ก, ไ ด, ยากได้นั่นอยากได้นี่เราไม่ได้ก็จะเกิดความเสียใจ เกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาซึ่งเป็นกิเลสเป็นตัณหาที่ผู้ปฏิบัติต้องการจะกำจัดนั่นเองการถือความสันโดษนี้จะช่วยกำจัดกิเลสตัณหาได้ไปพอสมควรการมากน้อยก็เช่นเดียวกันตัดความโลภมากนิดไปได้พอสมควรท่านจึงทรง พระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้ยินดีกับธรรมทั้งสองนี้คือความมากน้อยกับความสันโดษในปัจจัยสี่ข้อที่สามก็คือการปรีกวิเวกผู้ที่ต้องการลดแห่งธรรมคือลดของความสงบจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลาจากแสงสีเสียง ทางไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะที่จะทําให้ใจวุ่นวายที่จะทําให้เกิดความอยากต่กตางๆขึ้นมาที่จะทําให้ใจฟุ้งซ่านใจไม่สงบจึงจําเป็นจะต้องไปปลีกวิเวกคําว่าวิเวกก็คือที่สงบสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสผดท พ, พะนี้เองเพราะความสงบวิเวกทางไกาทางร่างกาย จะทำให้เกิดความสงบวิเวกทางใจนั่นเองกายวิเวกจิตก็จะวิเวกตามกายวุ่นวายจิตก็จะวุ่นวายตามต้องไม่อยู่ในสถานที่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆเรื่องทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ไปอยู่ในสถานที่ไม่มีความวุ่นวายทางตาหูจมูกนิ้นกายมีแต่ความสงบสงบ เช่นอยู่ตามป่าตามเขานี่เองท่านจึงสอนให้พระภิกษุอยู่ตามโคนไม้ก็คืออยู่ในป่าในเขานี่เองอย่าไปอยู่ในบ้านในเรือนในเมืองซึ่งมีแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทางตาหูจมูกรินกายจะทําให้การทําใจให้สงบทําให้สัมผัสกับรสแห่งธรรมนี้เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยะ ผู้คลองเรือนผู้ที่บำเพ็ญอยู่ในเมืองอยู่ในบ้านนี้น้อยคนที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมจริงๆรงถของใจที่สงบจริงๆที่รวมเข้าไปเป็นหนึ่งสักแต่ว่าร้เป็นเอกคัตตารมเป็นอุเบกขาจะสัมผัสได้ก็สัมผัสแบบผิวเผินพอรู้สึกวิเวกวงังเวงบ้งางนิดๆหน่นนอยๆแต่ไม่ถึงกับรวม เป็นหนึ่งได้เพราะสถานที่ไม่วิเวกนั่นเองสถานที่บาเพ็ญไม่วิเวกความวิเวกความสงบทางใจจึงไม่เกิดขึ้นมาจึงจำเป็นที่จะต้องไปปรีกวิเวกไปหาสถานที่สงบสงัดจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ชนิดต่างๆถ้าจะมีรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นรูปเสียงกลิน่นรสของธรรมชาติ ที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัยแก่จิตใจที่ไม่ได้ทําให้ความจิตใจวุ่นวายขึ้นมาเสียงในปา่ามีแต่เสียงนกเสียงลมเสียงใบไม้เสียงต้นไม้เสียงเหล่านี้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยต่อจิตใจไม่ได้ทําให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานี่คือเรื่องของความปีกวเว้ และเวลาไปปีกวิเวกถ้าไปปีกวิเวกในที่ที่มีหลายคนไปปีกวิเวกเช่นเวลาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพราะต้องอยู่ร่วมกันต้องศึกษาจากครูบาอาจารย์ร่วมกันก็อยากคุกครีกันให้ต่างคนต่างอยู่ในที่ของตนบาเพ็ญปฏิบัติธรรมตามลาพังของตน อย่าไปคุยกันอย่าไปจับกลุ่มสนทนากันดื่มน้ำชากาแฟกันให้ต่างคนต่างอยู่เพราะว่าเวลามาจับกลุ่มคุยกันแล้วก็มักจะคุยกันใจก็จะพุ่งซ่าใจก็จะไม่สงบเวลากลับไปแยกกันไปกลับไปภาวนาก็ สงบยากกว่าจะสงบได้ก็เหนื่อยบทชกำลังเสียก่อนท่านจึงไม่ให้คุกคีกันเวลาที่ต้องอยู่ร่วมกันในสำนักปฏิบัติเพราะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติเริ่มแรกนี้จำเป็นต้องศึกษาต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างพระภิกษุสงฆ์นี่ท่านบังคับไว้ว่า ภ้าพรรษาแรกของการบวชนี้จะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์เพื่อศึกษาทำศึกษาธรรมจากครูบาอาจารย์เพราะผู้ที่บวชใหม่นี้ก็เป็นเหมือนทารกเพิ่งเกิดใหม่ยังไม่รู้จักวิธีดำรงชีวิตของตนให้ปลอดภัยได้ผู้ที่บวชใหม่ก็เช่นเดียวกันยังไม่รู้จักวิธีดำรงชีวิตของนักบวช ให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยไม่ต้องสิกขาลาเพศไปและให้เจริญก้าวหน้าในธรรมขึ้นไปตามลําดับจําเป็นต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าราษาขึ้นไปเพื่อจะได้นิ ส, สัยของครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าการอยู่กับครูบาอาจารย์นี้ว่าเป็นการขอนิ ส, สัยหรือการถือนิ ส, สัยคือนิ ส, สัยของครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ท่านมีนิสัยอย่างไรเราก็เอานิสัยของท่านมาเป็นนิสัยของเราเช่นครูบาอาจารย์ท่านจะบินตบาตเป็นวัดลูกศิษย์ก็บินตบาตเป็นวัดครูบาอาจารย์ชันในบาทเป็นวัดลูกศิษย์ก็ชันในบาทเป็นวัดครูบาอาจารย์ชันมือเดียวลูกศิษย์ก็ชันมือเดียวอันนี้คือตัวอย่าง ของการถือนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติอย่างไรเราก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติไปในตัวและเมื่อได้ปฏิบัติทุกวันทุกวันไปเป็นปีมันก็จะติดเป็นนิสัยของเราขึ้นมาต่อไปเราเวลาไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ยังจะปฏิบัติเหมือนกับอยู่กับครูบาอาจารย์ เพราเราปฏิบัติมาจนชินเป็นวิสัยขึ้นไปเหมือนกับลูกๆที่อยู่กับพ่อแม่เวลาเกิดมาพ่อแม่เลี้ยงอะไรก็กินตามพ่อแม่พ่อแม่กินข้าวลูกก็กินข้าวถ้าพ่อแม่เป็นฝรั่งกินขนมปังลูกก็กินขนมปังก็จะกินตามพ่อตามแม่ภาษาก็จะเดียวกันที่จะพูดตามภาษาของพ่อของแม่ พ่อพูดภาษาไทยลูกก็พูดภาษาไทยพ่อแม่พูดภาษาอังกฤษลูกก็พูดภาษาอังกฤษอันนี้เป็นการรับนิสัยของพ่อแม่มาสู่ลูกพระก็เช่นเดียวกันพระต้องรับนิสัยจากครูบาอาจารย์จึงควรหาครูบาอาจารย์ที่มีนิสัยที่ดีจะได้รับนิสัยที่ดีมาเป็นนิสัยต่อไป ถ้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีนิสัยไม่ดีเช่นไม่บินทบาตไม่ฉันในบาตไม่ฉันมือเดียวก็จะไม่ได้รับนิสัยที่ดีเหล่านี้ไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่บินทบาตลูกศิษย์ก็จะไม่บินทบาตไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ไม่ฉันมือเดียวลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฉันมือเดียวอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ ไม่ฉันในบาตรลูกศิษย์ก็จะไม่ได้ฉันในบาตรอยู่กับครูบาอาจารย์ที่รับกิจนิมนต์ลูกศิษย์ก็จะไปรับกิจนิมนต์ครูบาอาจารย์ทำอะไรลูกศิษย์ก็จะทำอย่างนั้นดังั้นเวลาที่จะบวชนี้ผู้ที่จะบวชควรจะศึกษาหาครูบาอาจารย์ที่ดีก่อนตอนที่จะตัดสินใจบวชถ้าบวชแล้วไม่มีครูบาอาจารย์ที่ดี ก็จะเป็นปัญหาได้เพราะท่านจะไม่ได้พาไปในทางที่เราต้องการจะพาไปแทนที่จะพาเราไปสู่ลดแห่งธรรมท่านก็จะพาเราไปสู่ลดแห่งราบยศสระเสริญลดของรูปเสียงกลิ่นลดผลพระซึ่งเป็นทางของกิเลตันหาไม่ใช่เป็นทางของธรรม การแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ดีจึงเป็นเรื่องสําคัญมากอย่างหลวงตาของพวกเรานี้ท่านก็เล่าว่าท่านก็พยายามค้นหาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะฝากเป็นฝากตายได้ในที่สุดท่านก็ได้ไปพบกับหลวงปู่มั่นแล้วก็ฝากชีวิตฝากกายถวารชีวิตให้กับหลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่ถึงแปดถึงเก้าพรรษาด้วยกัน ได้รับถ่ายทอดนิสัยต่างๆของหลวงปู่มัน่นได้รับถ่ายทอดธรรมที่หลวงปู่มั่นได้บรรลุนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการอยู่กับครูบาอาจารย์ศึกษากับครูบาอาจารย์และปฏิบัติตามนิสัยของครูบาอาจารย์ท่านทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นต่อไปเราก็จะได้นิสัยอย่างนั้น ทำอย่างใดที่ท่านเห็นมันก็จะเป็นธรรมที่เราเห็นเช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของการ อ, าอยู่กับครูบาอาจารย์การไม่คุกคีกันเวลาที่เรายังต้องอยู่กับครูบาอาจารย์กันต่างคนต่างอยู่จะมารวมกันก็เฉพาะเวลาทำกิจสำคัญสำคัญเท่านั้นเช่นเวลามาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องมารวมกัน แต่เวลามาก็ต่างคนต่างมาต่างคนต่างเจริญสติสามรวมกายวาจาใจอย่าคุยกันต่างคนต่างหาที่นั่งของตนทำใจให้สงบรอให้ครูบาอาจารย์ลงมาแสดงธรรมก็มาแบบมาเดียวแล้วก็ไปเดียวไม่ใช่มาแล้วก็มาสังสรรมา สนทนาสาลุกทุกซาระทุกข์สุขดิบกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นการคุกคีกันเราต้องไม่คุกคีกันเวลาที่เรามารวมทํำกิจร่วมกันมาขบฉันร่วมกันมาทําความสะอาดร่วมกันอย่างนี้ตางคนก็ต่างทําด้วยสติควบคุมใจให้อยู่กับงานที่กําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียว อย่าไปสนทนาอย่าไปกังวลกับเรื่องของคนอื่นให้ดูที่งานที่เรากำลังทำอยู่เป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องคุยกันในสำนักที่เข้าปฏิบัติกันอย่างเคร่งคัดนี้บางทีชาวบ้านมาเห็นเขาก็แปลกใจทำไมพระเนนไม่คุยกันเลยก็มีความคิดว่าทะเลาะกันหรือเปล่าไม่ถูกใจกันหรือเปล่า เขาไม่เข้าใจมองในทางโลกเพราะในทางโลกเวลาเจอกันจะต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันจะต้องทักทายกันสามสารทุกขสุบดิบ อ, อันนี้เป็นทางโลกต้องมีความเมตตาต่อกันแต่ทางธรรมนี้ท่านให้ใช้อุเบกขาให้ใช้สติเป็นหลักไม่ให้คุกคีกันไม่ให้คุยกันเพราะต้องการที่จะหยุดความคิดปรุงแต่ง ต้องการที่จะทำใจให้สงบดังนั้นวิถีชีวิตการอยู่ของนักปฏิบัติของนักบวชจึงแตกต่างจากวิถีชีวิตของผู้คองเรือนเอามา เ, อาเปรียบเทียบกันไม่ได้เพราะเป็นคนละเรื่องกันนักบวชนักปฏิบัตินี้เหมือนกับจะโกรธเกลียดชังกันไม่ยอมมองหน้ากันไม่ยอมคุยกันมีต่างคนต่างทางานทาหน้าที่ของตน ทำเสร็จก็แยกย้ายกันไปอันนี้คือนิสัยของนักบวชนิสัยของนักปฏิบัติธรรมถ้าเป็นนิสัยของคารวะผู้ของเรือนเจอกันก็ต้องทักทายทักทายกันสามสารทุกขสุขดีบกันมีอะไรก็เอามาแบ่งกันมีขนมนมเนยก็เอามาแจกเอามาจ่ายกันมาคุยกันเวลาที่ทำอะไรรวมกัน สังเกตดูเวลาไปงานของคารวะนี่จะมีเสียงกระเทิกคึกโคลจะสื่จะคุยกันทั้งทั้งทั้งงานเลยคุยกันทุกคนคนนั้นคุยกับคนนี้คนนี้คุยกับคนนั้นแต่ถ้าไปงานของพระนี่ไม่มีใครคุยกันต่างคนต่างนั่งเฉยๆนั่งรอเวลาทํากิจของตนนี่คือลักษณะของการไม่คุกคีกันของผู้ปฏิบัติธรรมของนักบวช เพราะว่าจะทําให้รักษาความสงบภายในใจไว้ได้นั่นเองถ้าคุยกันแล้วใจก็จะพุ่งเป็นมาเวลากลับไปที่สงบก็จะสงบยากนี่คือเรื่องของธรรมที่เราควรยินดีข้อที่สี่ก็คือให้เรายินดีกับการไม่คุกคลีกันอย่าไปคิดว่าการไม่คุกคลีกันนี้เป็นการไม่มีสังคม เป็นคนต่อต้านสังคมไม่ใช่เป็นวิถีของผู้แสวงหาลดแห่งธรรมที่จะต้องอยู่แบบนี้อยู่ตามลำพังใจถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คือนี่คือทำข้อที่สี่ความความไม่คุกคีกันยินดีกับการไม่คุกคีกัน ข้อที่ห้าก็ให้ยินดีกับการทำความเพียรข้อนี้ก็สำคัญมากเพราะว่าทำทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดด้วยการทำความเพียรทำไม่เหมือนกับผลน้ำฝนทางบนท้องฟ้าที่ถึงเวลาเขาก็จะตกลงมาเองแต่ทำคือความสงบนี้มันไม่เกิดขึ้นมาเองมันจะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีความเพียร เพียงในการสร้างสตินี่เองเพียงในการเจริญสติเพราะสตินี้แหละที่จะทำให้ใจสงบทำให้ใจรวมเป็นหนึ่งได้เราจึงต้องมีความยินดีต่อการทำความเพียรยินดีต่อการเดินจกงกรมนั่งสมาธิขั้นต้นก็จเจริญสติเพื่อให้ใจสงบเป็นสมาธิเมื่อชมาในเรื่องของสมาธิแล้ว ก็ให้เพียรในการเจริญปัญญาเมื่อเราเพียรเจริญปัญญาแล้วเราก็จะสามารถทำลายปัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้ถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่มีผลเกิดขึ้นมามรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งนี้ไม่ได้เกิดแบบฝนฟ้าอากาศ ไม่ได้ตกลงมาเหมือนฝนตกแต่เป็นธรรมที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาแต่ละขั้นคือตั้งแต่ข้อข้อที่ห้าที่เราต้องยินดีและเพียรสร้างขึ้นมาก็คือศีลธรรมที่เราต้องยินดีหลังข้อที่หกก็คือศีลข้อที่ห้าก็คือความเพียรเราต้องมีความเพียร เพียงในการสร้างอะไรก็เพียงในการสร้างศีล ร, รักษากายวาจาให้สงบเพราะความสงบของกายวาจาทำให้ใจสงบนั่นเองถ้ากายวาจาไม่สงบไปทำบาปไปทำผิดศีลก็จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาไม่ได้ทำให้ใจสงบจึงจำเป็นที่จะต้องรักษากายวาจาให้สงบ เบื้องต้นก็สงบด้วยศีลห้าแล้วเมื่อรักษาศีลห้าได้ก็ขยับขึ้นสู่ศีลแปดเพระจะสงบได้มากขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกันศีลห้าก็สงบได้ขั้นหนึ่งขีดหนึ่งศีลแปดก็จะสงบได้ขึ้นไปอีกนี่คือให้มีความยินดีในศีลให้พยายามตรวจตาดูว่าศีลของเราบริสุทธิ์หรือไม่ เราได้ทำบาปทำข้อเสียหายอะไรบ้างถ้าทำก็ให้ยุติการกระทำนั้นอย่าทำอีกต่อไปส่ว น, ส, วนส่วนที่ทำไปแล้วก็ปล่อยมันไปกลับไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อย่าไปกังวลกับมันอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับกับผลที่เราทำไว้รับกับเหตุที่เราทำไว้ เราจะไม่ทําใหม่เราจะไม่ทมําทผิดซ้ซําซากถ้าเรารู้ว่าเราทําผิดแล้วเราก็ต้องพยายามไม่ทําผิดซ้ซําซากอีกต่อไปวิธีที่จะไม่ทําผิดซ้ซําซากก็อาจจะต้องมีมาตรการลงโทษตนเองเช่นถ้าทําผิดก็อดข้าวไปหนึ่งวันมันจะได้เข็ดลาบถ้าทําผิดแล้ว ไม่ได้ทำโทษมันก็จะไม่เข็ดตาเดี๋ยวมันก็จะทำใหม่ได้ถ้ามีโทษแล้วมันจะไม่กล้าทำทำผิดแล้วก็อย่าไปกินข้าวหนึ่งวันอดข้าวหนึ่งวันทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันก็ไม่กล้าทำผิดเองนี่คือศีลก็คือการกระทำที่ไม่เกิดโทษกับใจคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเีไม่พูดปด ไม่เสพสุรายาเมาแล้วถ้าเป็นศีลแปดก็เพิ่มอีกสามข้อข้อที่สามก็เปลี่ยนเป็นอบ ร, ร ม, มจริยาคือไม่ร่วมหลับนอนกับใครข้อที่หก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วข้อที่เจ็ดก็ไม่ให้หาความสุขทางตาหูจะมวกรินกายจากการจากเรื่องของบันเทิงเรื่องของมหรสพศ เรื่องของการเสริมความสวยความงามของร่างกายแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาพรวิจิตพิสดารเสริมหน้าเสริมตาเสริมผ้าเสริมผมด้วยเครื่องสําอางด้วยน้ำมันด้วยน้ำหอมชนิดต่างๆนี่เป็นการกระทําที่จะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้ยากต้องกำจัดการกระทาเหล่านี้ แล้วการจะทำใจให้สงบให้เป็นสมาธินี้จะง่ายเราจึงต้องมีศีลก่อนมีศีลเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาทาใจให้สงบทาใจให้เป็นสมาธิได้ถ้าไม่มีศีลแปดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวได้เดี๋ยวก็ไปงานเลี้ยงได้เดี๋ยวก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวได้ท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆ ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปงานเลี้ยงงานวันเกิดงานแต่งงานงานครบรอบงานอะไรต่างๆได้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาปลีกวิเวกมาเจริญสติมาทำใจให้สงบนั่นเองผู้บาเพ็ญจึงต้องมีศีล8ดขึ้นไปศีล8ปดศีลห้าศีล8ปดศีล 10, สิบศีลสองรอยสบเจ็ดศีลสามร้อยกว่า นี่คือศีลของนักบวชคือศีลของอุบาสกอุบาสิกาของสัมมณีของภิกษุของภิกษุณีเป็นการห้ามคํากิจกรรมที่จะมาทําให้จิตใจไม่สงบนั่นเองนี่คือความยินดีในศีลเพราะความยินดีในศีลก็จะทําให้เราสามารถ เข้าสู่ความยินดีในสมาธิได้นั่นเองถ้าเราไม่มีศีลคอยดึงใจให้เราว่างจากภารกิจต่างๆว่างจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่สามารถมาเจริญสติควบคุมความคิดให้ใจสงบให้ใจเข้าสู่สมาธิได้แต่ถ้าเรามีศีลแล้วเราก็จะมีเวลา แล้วการกระทําของทางกายวา่ากายวาจาก็จะไม่ส่งไม่ไม่ทำให้ใจวุ่นวายก็จะช่วยทําให้ใจสงบได้ง่ายผู้ที่ต้องการเจริญสมาธิจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองยยี่สิบศีลสามรอยกว่าข้อนี้จะช่วยทําให้การทําสมาธินี้ง่าย จะช่วยทำให้มีเวลามาทำสมาธิกันไม่เชนั้นก็จะหมดเวลาไปกับการทำกิจกรรมอย่างอื่นเองจาเป็นที่จะต้องมีศีลกันนี่คือความยินดีในข้อที่หกเจ็ด น, นึกงจำไม่ได้แล้วแล้วข้อต่อไปความยินดีข้อต่อไปก็คือยินดีในสมาธิยินดีต่อการทำใจให้สงบ เพราะความสงบนี้คือความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองคือลดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงนี่นเองเราจะถึงลดแห่งธรรมที่ชนะรดทั้งปวงได้ก็เมื่อใจของเรารวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เหลือแต่อุเบกขาความคิดปรุงแต่งหายไปใจนิ่งใจสงบเกิดความมหัาสัจรรใจในความสงบในความสุขในลดแห่งธรรมอย่างยิ่ง ผู้ที่ได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมแล้วจะไม่ต้องการรถอย่างอื่นเคยชอบเคยชอบอะไรก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเคยชอบเที่ยวเคยชอบหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเลิกได้อย่างง่ายดายเพราได้พบกับรถแห่งธรรมที่ชนะที่ชนะรถทั้งปวงแล้วเพียงแต่ว่ารถแห่งธรรมที่ได้จากสมาธินี้ ยังเป็นนถแห่งธรรมชั่วคราวนสดที่สัมผัสได้ในขณะที่จิตสงบรวมเป็นหนึ่งแต่เวลาจิตถอนออกจากสมาธิออกมาสู่การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายความสงบนั้นก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าอยากจะรักษาความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องเจริญปัญญาเป็นธรรมอีกอันหนึ่งที่เราควรจะมีความยินดีควรจะเจริญปัญญาเพราะปัญญานี้จะทำให้ใจอถอยกลับเข้าข้างในเวลาเห็นอะไรที่ตันหาความอยากชอบถ้าเห็นด้วยปัญญามันก็จะไม่ชอบเช่นเวลาเห็นรูปร่างหน้าตาของคนที่สวยงามรูปล่อล่อเา พอเห็นด้วยธรรมด้วยปัญญาก็จะไม่ก็จะไม่ชอบก็จะถอยเข้าข้างในได้เช่นเห็นอสุภะของเขาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาเห็นส่วนที่โสโครกของร่างกายของเขามันก็จะทําให้เบื่อหน่ายแทนที่จะเกิดความกําหนัดยินดีก็จะเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องมาสร้างกัน เพราะปัญญาแบบนี้เราไม่ค่อยมีเก็บไว้ในครังของปัญญามีแต่มีแต่สิ่งที่สวยๆงามๆเก็บไว้ในครังของกิเลสเต็มไปหมดนปัญญายมันจะออกมาด้วยความสวยด้วยความงามแล้วก็ด้วยความกำหนัดยินดีด้วยกามาราคาทําให้ใจอยู่ไม่เป็นสุข ทำให้ใจต้องดิ้นไปหาสิ่งที่อยากได้แล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งที่อยากได้ตามลำดับต่อไปเพราะสิ่งที่อยากได้ก็จะต้องมีเจริญมีเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาพอเวลาเปลี่ยนไปเวลาเสื่อมไปก็เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ามีปัญญาเห็นความ ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆเห็นความไม่สวยงามของสิ่งต่างๆใจก็จะไม่เกิดความอยากได้เมื่อไม่มีความอยากได้ใจก็จะหดกลับเข้าข้างในกลับเข้าสู่ความสงบนี่คือปัญญาที่จะใช้ตัดทางเดินของตัณหาที่จะชุดลากจิตใจให้ออกไปหาความทุกข์หาความรุ่มร้อนต่างๆถ้าเห็นด้วยปัญญา แต่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันมีการดับมีการสูญเสียมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสิ่งที่ตันหาไม่ชอบพอต้องไปเจอความทุกข์มันก็จะไม่อยากไปมันก็จะหดกลับเข้ามาหาความสุขหาลดแห่งธรรมดีกว่ากลับมาสู่ความสงบดีกว่า นี่คือปัญญาที่ต้องหมั่นเจริญเพื่อที่จะได้สกัดใจเวลาที่ถูกความอยากดึงออกไปหาลูกเสียงกิริลดผดทะพะดึงออกไปหาลาบยศสารเสริญดึงออกไปหาสมมุติต่างๆเช่นหาบิดามารดาหาสามีหาภรรยาหาบุตรหาธิดาถ้าเป็นปัญญาแล้วจะไม่มีคำว่าสามีภรรยาไม่มีคำว่าพ่อไม่มีแม่ จะมีแต่อนนตตามีแต่ดินน้ำลมไฟร่างกายของคนทุกคนนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเท่านั้นไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของใครไม่ได้เป็นลูกเป็นหลานของใครไม่ได้เป็นสามีเป็นภรรยาของใครไม่ได้เป็นร่างกายของใครเป็นของดินน้ำลมไฟมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนี่คือการมองด้วยปัญญา วองสิ่งต่างๆทุกอย่างในโลกนี้เราอยู่ในโลกกธาตุเนียโลกกธาตุก็ธาตุสี่นี่เลือกธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นธาตุสี่เป็นธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเป็นธาตุดินอย่างเดียวอาจจะเป็นการผสมของธาตุดินน้ําลมไฟแต่มันก็เป็นเพียงธาตุเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ได้เป็นหญิงเป็นชาย ไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องไม่ได้เป็นสามีภรรยาไม่ได้เป็นบุตรเป็นธิดาไม่ได้เป็นญาติสนิทมิสหายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟผู้มีปัญญาใจเห็นอย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปวิตกไปกังวลกับดินน้ำลมไฟทำไมเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปเป็นดินน้ำลมไฟกันทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของต่าง นี่คือเรื่องของปัญญาปัญญาจะมองอย่างนี้มองเห็นอนัตตาว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมองเห็นว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงตั้งอยู่ไม่ได้นานเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดาถ้าไปหลงไปยึดติดว่าเป็นของเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีพราพอเป็นของเราก็จะเกิดความอยากให้อยู่กับเราไม่อยากให้มันจากเราไปนั่นเอง พอ เ, เกิดความอยากให้อยู่เกิดความอยากไม่ให้เขาจากเขาไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาซึ่งการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญาให้พิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในทุกสิ่งทุกอยาก่างให้เห็นอสุภะในรูปล่างหน้าตาของคนทุกคนให้เห็นปฏิกูลในอาหารทุกชนิดที่เรารับประทานที่เราอยากจะรับประทาน นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาถ้ามีปัญญาครบบริบูรณ์มีสมาธิที่จะทำตามคำสั่งของปัญญาแล้วใจก็จะหลุดพ้นนี่ก็คือธรรมที่จะที่เราควรยินดีตามลำดับพอมีปัญญาแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับการหลุดพ้นจากความทุกข์เบื้องต้นกรหลุดพ้นเป็นขั้นขั้นไป ขั้นพระโสดาบันพันขั้นพระสกิดาคามีขั้นอนาคามีจนถึงขั้นพระอาหารหันต์เมื่อหลุดพ้นเต็มที่เต็มร้อยก็จะเกิดยาณทัศน ะ, ะวิมุตติย า, าณทัศน์ขึ้นมาคือยานอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหมดแล้วไม่มีความทุกข์อะไรหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปแล้วภพชาติไม่มีอีกต่อไปแล้ว กิจที่จะต้องทำไม่มีอีกแล้วกิจที่ต้องทำมากไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเติมน้ำก็เต็มตุ่มแล้วไม่มีการจะต้องเติมน้ำอีกต่อไปการเติมความสุขให้กับใจนี้ได้เติมอย่างเต็มที่แล้วเติมไปมากกว่านี้ก็ล้นออกมาไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเติมอีกต่อไปนี่คือทำสิบชนิดด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามีความยินดีกันเพราะเป็นความยินดีที่ชนะความยินดีทั้งปวงชนะความยินดีในลาบยศสรรเสริญชนะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเพราะมันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่หุ้มห่อความทุกข์ไว้นั่นเองพอความสุขจางหายไปก็มีแต่ความทุกข์ เวลาลาบยศสรรเสริญสุกเสริมไปความสุขก euh. ็หายไปเหลือแต่ความทุกข์จึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความทุกข์แท้การเข้าหาความยินดีในลาบยศสรรเสริญยินดีในรูปเสียงกล็ดลดจึงถือว่าเป็นการยินดีต่อความทุกข์การยินดีในธรรมนี้เป็นการยินดีต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จึงเรียกว่าการยินดีในธรรม ชนะการยินดีทั้งปวงเพราะมีการยินดีในธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความยินดีในสิ่งต่างๆในโลกนี้จะนําเราไปสู่ความทุกข์ไม่ได้นําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นไม่ได้นําไปสู่ลถแห่งธรรมที่จะชนะรถทั้งปวงธรรมที่จะนําให้เราไปสู่ รถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงก็คือธรรมสิบประการนี้เองคือหนึ่งความมากน้อยสองความสันโดษสความปิดวิเวกสความไม่คุกครีกันห้าความเพียรหศีลเจ็ดสมาธิ 8. ปัญญาเกวิมุตติการหลุดพ้นและสิบวิมุตติยานทัศนะ คือการอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่คือทำที่พวกเราควรจะยินดีกันเพราะเมื่อเรายินดีเราก็จะได้แสวงหาเราก็จะได้สร้างมันขึ้นมาเมื่อเราได้สร้างธรรมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วลดแห่งธรรมก็จะเป็นผลที่จะปรากฏตามมาอย่างแน่นอนเพราะว่าผู้ที่สั่งผู้สอนคือพระพุทธเจ้าและพระอาหลนตัสาวกทั้งหลาย ท่านได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมด้วยวิธีนี้มาแล้วนั่นเองท่านได้สัมผัสรถแห่งธรรมด้วยการยินดีในรถในธรรมทั้งปวงนี้ในธรรมสิบประการนี้ถ้าพวกเรามีความยินดีในธรรมสิบประการนี้แล้วสามารถเจริญให้ธรรมทั้งสิบประการนี้ปรากฏขึ้นมาได้เราก็จะได้รับสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่จะที่ชนะรถทั้งปวง คือเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าแก่ความคำว่าเกิดแก่เจ็บตายนี้จะไม่มีอยู่ในอยู่ในสาระระบบของเราอีกต่อไปถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสกับธรรมทั้งสิประการนี้การเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ต่างๆก็ยังจะอยู่ในสาระระบบอยู่ในใจของเราต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ดังนั้นเราต้องมีความยินดีในธรรมเพราะว่าเมื่อเรามีความยินดีในธรรมแล้วก็จะนําเราไปสู่การแสวงหาธรรมเหล่านี้การเจริญธรรมเหล่านี้แล้วผลที่เกิดจากการแสวงหาเกิดจากการเจริญในธรรมเหล่านี้ก็จะเป็นรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงนี้เองจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สงสอนว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงและขอให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติอย่างจริงจังรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะต้องเป็นผลที่ท่านทั้งหลายจะได้รับอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกัปต an ิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุส so ังกบปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ ระโสยถาสภิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีฤทธะนิจจังวุทฒาปจายโนจตารูธรรมาวัฏานติอายุวันโอสุขัง เอาต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เริกประชุมกันแล้วก็จะขออนุญาตไม่ถามตอบปัญหาอีกดังนั้นถ้าใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้ายังไม่มีก็จะให้คำถามทางบ้านถามไปก่อนคำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามการเข้านิโรธสมาบัตินั้นจะต้องเป็นระดับอริยบุคคลแล้วจึงจะทำได้ใช่หรือไม่คะไม่หรอกนิโรธสมาบัติมันอยู่ในขั้นสมาธิใครมีสติที่แก่กล้าก็สามารถที่จะ ควบคุมสัญญาสังขารวิญญาณให้ตั้งอยู่ในความสงบได้ก็จะเข้าสู่นิโรธมาบัตได้ไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเลยเรื่องของสติล้วนๆคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูยังค่อนข้างใหม่กับการปฏิบัติช่วงหลังๆนั่งสมาธิได้นานขึ้นไม่สนใจอาการเจ็บปวดมีสติอยู่กับพุโทโธหรือดูลมหายใจได้มากขึ้น มีวันหนึ่งนั่งภาวนาไปรู้สึกร่างกายขยายจับความรู้สึกตั้งแต่คอลงไปไม่ได้แต่ยังเพ่งที่ลมหายใจมันไม่ได้ชาหรือว่าเบาสบายแต่เหมือนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นร่างกายไม่มีแล้วรู้สึกตโหนกและกลัวเริ่มฟุ้งซ่านพยายามนึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าให้ตามดูอย่างเดียวอย่าไปมีความรู้สึกอะไรกับมันแต่เป็นครั้งแรกจึงกลัว ดึงสติกลับมาก็ทําได้ไม่นานนั่งได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทุกทีจะตื่นเต้นและเสียสมาธิบ่อยครั้งที่เจอสภาวะอะไรใหม่ๆบรบกว้พระอาจารย์ชี้แนะแนวทางเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติด้วยค่ะเวลาภาวนาอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมหายใจให้เกาะติดอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจไม่อย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาแล้ว จิตก็ยังจะนั่งมั่นอยู่ในความสงบได้ถ้าทิ้งพุโทโธหรือทิ้งลมหายใจเมื่อไหร่<ๆ>ก็จะเกิดอาการปั่นป่วนต่างๆขึ้นมาจนนั่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นเวลาภาวนาอย่าทิ้งพุโทโธอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้จะใช้ทั้งสองอย่างก็ได้แต่อย่าไปสนใจกับอย่างอื่นมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจรับรู้แล้วปล่อยวางแล้วกลับมาอยู่ที่พุโทโธต่อ ต่อไปหรือกลับมาอยู่ที่ลมต่อไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้คาถามจากคุณพรทิพย์เวลาเห็นพระสงฆ์บินธบดโดยมือท่านหิ้วของหนักจะไม่ใส่บาทองค์นี้เพราะเกงใจท่านคิดว่าจะทำให้ต้องหิ้วหนักขึ้นความคิดนี้ถูกต้องหรือไม่คะก็แล้วแต่คุณจะคิดยังไงก็คิดไปไม่รู้จะมาตอบอยังไง คำถามเจ้าคุณบุษบาหากเกิดยานอย่างรู้อดีตชาติของตนเองปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะทําให้ใจไม่ไหลหลงอยู่แต่ในอดีตชาตินั้นหรือว่าต้องอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นคะก็ดึงใจให้กลับมาอยู่ในปัจจุบันเที่ว่าอดีตผ่านไปแล้วไม่มีผลต่อการเป็นอยู่ของเราในชาตินี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาขึ้นมาไปเคลมว่าสมบัติของคนนี้เป็นของเราในชาติก่อน เราจะมาขอคืนเดี๋ยวไปฟ้องร้องฟ้องศาลขึ้นศาลกันศาลก็จะหาว่าเราบ้าเพราะว่ามันเป็นคนละพบคนละชาติถ้าเป็นละครก็คนละโรงแล้วเล่นละครโรงนั้นก็อย่ามาเอามาเล่นละครโรงนี้มันคนละโรงละครกันอยู่โรงละครโรงไหนก็เล่นอยู่ในโรงนั้นถ้าโรงนั้นปิดไปแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วชาติก่อนนี้ก็เป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งละครโรงหนึ่ง ตอนนี้ละครลงนั้นเขาปิดไปแล้วละครเรื่องนั้นเขาหยุดเล่นแล้วตอนนี้เรามาเล่นละครเรื่องใหม่เราก็ต้องอยู่กับบทใหม่ที่เราเล่นไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากจำเป็นต้องฆ่าสัตว์เช่นใช้ในการเรียนทำวิจัยใจไม่ได้อยากทำจะมีสิ่งใดหรือควรทำสิ่งใดเพื่อผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไหมคะไม่ได้แล้วก็ จะผ่อนได้ก็คือมาฆ่าตัวเราเองแทนให้เขาฆ่าแทนที่ไปฆ่าคนอื่นมันก็จะทําทให้ผ่อนเบาได้คือเวลาจะวิจัยก็ให้เขาวิจัยที่ร่างกายเราแทนที่ไปละวิจัยที่ร่างกายของคนอื่นคําถามจากคุณเจตัวผมเองมีจิตอกุศลตอนที่เวลาจะสร้างความดีเวลาเห็นพระนึกถึงพระชอบคิดไม่ดีเกิดขึ้นพระอาจารย์ช่วยแนะนําสั่งสอนผมด้วยครับ กรู้ว่าไม่ดีก็อย่าไปคิดสิให้คิดในสิ่งที่ดีแทนคิดว่าพระเป็นคนที่เขาดีกว่าเราเขามีศีลเราไม่มีศีลเราจะไปคิดว่าเขาไม่ดีได้อย่างไรถ้าเขาไม่ดีเราก็เลวกว่าเขาอีกสักซถามจากคุณหมูฟรีดอมลงทุนซื้อหุ้นบริษัทนั้นมีการจำหน่ายสินค้าหลายอย่างมีแอลกอฮอล์ด้วยแบบนี้เราบาปและจะได้รับวิบากภายหน้าไหมครับ ถ้าเราได้รับประโยชน์จากบริษัทนั้นเราก็จะมีผลเราก็ต้องมีผลรับกลับมาถ้าไม่อยากจะมีผลรับก็อย่าไปฝากอย่าไปซื้อหุ้นบริษัทนั้นอย่าไปร่วมหุ้นกับเขาคําถามจากผู้ฝากถามหนูนั่งเพ่งพิจารณาอาสุพะสู้กันอยู่พักหนึ่งแล้วจึงถอนออกมาก็มีอาการอาเจียนเลยทันทีจะให้หนูสู้ต่อไปหรือถอนออกจากการเพ่งพิจารณาอาสุพะดีคะ อ๋อการดูอสุภาณนี้ดูเพื่อให้เราจำได้ไม่ให้ดูเพื่อให้เกิดอาการอาเจียนขึ้นมาถ้ามานอาเ จ, จ, จียนก็หยุดหยุดดูได้ดูเพื่อให้เราจดจำไว้เพราะตอนที่เราดูตอนนี้มันยังจะเอามาใช้งานไม่ได้เราจะามาใช้งานตอนที่เราเกิดการอารมณ์ขึ้นมาเช่นเราไปเห็นรูปร่างหน้าตาของใครแล้วเกิดความความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับเขา ตอนนั้นถึงจะต้องเอาอาสุภะที่เราเพ่งดูในตอนนี้เอามาใช้การดูในตอนนี้เพื่อให้เราจดจำไว้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเวลาเห็นของอะไรที่สวยงามเราจะได้เอาของที่ไม่สวยงามมามาเทียบเคียงกันว่ามันก็มาจากคนเดียวกันข้างนอกก็เป็นอย่างนี้ข้างในก็เป็นอย่างนี้พอเห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในความอยากในการอารมณ์มันก็จะดับไป เวลาเราเพ่งแล้วเกิดอาจารยเา์เกิดอาการต่างๆขึ้นมาก็แสดงว่ากินยามากไปก็ต้องลดปริมาณยาลงถ้ามันเกิด อ, อยากจะอาเจียนก็หยุดแล้วพอมันหายแล้วก็มาดูใหม่ให้ดูบ่อยๆดูเรื่อยๆดูเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้เดิมเพื่อเราจะได้เอามาใช้ในการที่จะดับการมารวมต่างๆได้ ถ้าเราไม่ดูบ่อยๆแล้วเราจําไม่ได้เวลาเกิดการมารลมขึ้นมาเรานึกไม่ถึงมันเราก็ไม่สามารถหยุดการมารลมได้เราก็อาจจะไปทําผิดศีลได้ไปประพฤติผิดประเวณีหรือไปประพฤติอการไม่รักษาข้อบรมอาจารย์ได้ถ้าเป็นนักบวชเนี่ยหมดแล้วเหรออ่าสันๆดีเหมือนกันมีใครอยากจะถามแม่บนนี้ อาจารครับเวาทําสมาธิ เ, าเวลามีเราละวิตกวิจารปิติสุขเอกขตาแล้วก็เรามีอุเบกขานะครับที่ดูในมืนมืดในความว่างแล้วหลังจากนั้นถ้าช่วงอยู่อุเบกขาต่อไปนี้เราต้องพิจารณาอย่างไรต่อถ้าอยู่อุเบกขาก็ไม่ต้องทําอะไรรักษาอุเบกขาไว้ให้นานที่สุดใช้สติประครับประคองอุเบกขาห้อยให้มันอยู่ให้นานที่สุดจนกว่ามันจะท้นออกมาท้อออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ได้ก็กลับเข้าไปใหม่ พยายามเข้าไปชนะสมาธิให้บ่อยให้มากจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าได้ทุกเวลาที่เราต้องการมันก็จะเป็นที่หลบภัยหลบความทุกข์ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้หมดไปได้อย่างถาวรแต่มันก็จะเป็นฐานของปัญญาต่อไปมันจะเป็นบันกำลังของปัญญาเพราะปัญญาถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถหยุดตันหาความอยากได้ ต้องพิจารณาอาการสาสบสองต่ออะไรไหมครับก็หลังจากออกจากสมาธิแล้วค่อยพิจารณารขณะที่เป็นอุเบกขาไม่ต้องทําอะไรให้รักษาอุเบกขาไว้ถ้าเริ่มพิจารณาเริ่มคิดแล้วความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมันก็จะไม่สงบพอไม่สงบอุเบกขาก็จะหายไปดันั้นอย่าเพิ่งไปพิจารณาในขณะที่อยู่ในสมาธิพยายามรักษาอุเบกขาให้อยู่ไปนานๆพอออกจากสมาธิมาแล้ว ให้พิจนาทางปัญญาต่อไปถ้าเราชำนาญแล้วในการเข้าออกสมาธิถ้ายังไม่ชำนาญก็ยังไม่ต้องพิจณาเจริญสติต่อไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปก่อนเพื่อสร้างสติให้มีกำลังจนสามารถสั่งให้ใจสงบได้ทุกเวลาที่ต้องการเมื่อเราเปสติมีกาลังมากแล้วเข้าสั่งให้จิตสงบได้ตามเวลาที่เราต้องการแล้วเราถึงค่อยมาเจริญัญญา มาพิจารณาความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นสิ่งต่างๆที่สะเทือนใจเหล่านี้มันที่มันสะเทือนใจเราเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี่เองเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นของเราแต่เราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราพอมันไม่เที่ยงมไม่เป็นของเรามันก็สร้างความสะเทือนใจให้กับเราเราก็ต้อง หยุดความการความกระเทือนใจนี้ด้วยการยอมรับความจริงว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่ใช่เป็นของเราเขาจะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนไปหมดไปถ้าเรามีปัญญารู้ความจริงอันนี้ใจเราก็จะไม่สะเทือนเวลาเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดการดับไปของสิ่งต่างต่างเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าของไปเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยได้ไม่ทุกข์กับมัน อันนี้เป็นปัญญาต้องหลังจากที่ออกจากสมาธิและหลังจากที่เราชํานาญในการเข้าออกสมาธิแล้วจะดีกว่าเพราะถ้าเราออกทางปัญญาถ้าเะบางทีมันก็เผลอแล้วมันก็แทนที่จะเป็นปัญญามันก็เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งไปแล้วทาให้เกิดความฟุ้งซ่านเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าเราไม่รู้จักวิธีเข้าสมาธิมันก็จะเครียดไปนานๆทุกไปนานๆ แต่ถ้าเรารู้จักวิธีเข้าสมาธิพอใจเราเริ่มเครียดเริ่มฟุง้งเราก็หยุดมันได้เข้าไปในสมาธิได้ฉะั้นปัญญานี้ถ้าจะใช้ก็ต้องระมัดระวังอย่าให้มันกลายเป็นสังขารความคิดฟุ้งแต่งไปถ้าเป็นปัญญาแล้วมันจะสงบมันจะนิ่งมันจะปล่อยวางถ้ามันเป็นสังขารเป็นกิเลสมันจะยึดจะติดจะทุกข์ขึ้นมาทันที การนันส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะที่เคยได้ยินว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าในผู้ที่จิตที่สงบยากเนี่ยให้อดอาหารสามวันห้าวันหรือเจ็ดวันอยากจะเยินถามพระอาจารย์ว่าอดนี่คือน้ําหวานอะไรก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเจ้าค่ะก็แล้วแต่เราจะอดมากอดน้อย<จ>แต่ที่ให้อดอาหารนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าสงบยากนะที่ให้อดอาหารเพราะมันง่วงนอนมันที่เกียด แล้วการอดอาหารนี่มันจะทำให้ไม่ง่วงนอนแล้วก็จะทำให้ขยันภาวนาเพราะเวลามันอดนี่มันหิวทางใจเราก็ต้องดับความหิวทางใจด้วยการภาวนามันก็จะบังคับให้เรานั่งสมาธิบังคับให้เราจเจริญสติเพราะเวลาใจมีสติใจสงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปดังนั้นนี่เป็นวิทยเป็นอุบายของการเสริมความภาคเพียนแก้ปัญหาคือความง่วงเหงาเหานอน แต่เรื่องสงบยากสงบง่ายนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารสำหรับคนบางคนถ้าไม่ถูกจริตเกี่ยวกับการอดอาหารมันก็ยิ่งฟุ้งใหญ่เพราะอดแล้วก็จะคิดแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวจกนกระทั่งไม่มีเกิดจิตกรใจที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่ถูกจริตก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องลองดูว่าจะถูกเล่าใช่ไหมใช่แล้วจะอดมากอดน้อยก็แล้วแต่เราจะกาหนดบางท่านก็ ไม่เอาอะไรนอกจากน้ำเปล่าอย่างเดียวอันนี้แบบเต็มร้อยเลยไม่กินอะไรทั้งนั้นเอาแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวบางท่านก็มีผ่อนบ้างอตอนเช้าอาจจะเอานมกล่องสักหนึ่งกล่องตอนบ่ายอาจจะน้ําผลไม้สักหนึ่งกล่องอันนี้ก็เป็นการผ่อนลงมาหน่อยเจ้าค่ะแล้วแต่ปัญหาที่สองคือเห็นพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของกาแฟาที่คล้ายๆกับเรื่องของสารเสพติด พราจาไม่เห็นด้วยกับกาแฟหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ได้ไม่เห็นด้วยหรอกเพียงแต่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเวลาติดแล้วมันทุกข์คนที่ติดกาแฟกับคนไม่ติดกาแฟเนี่ยคนไม่ติดมันไม่มันไม่ทุกข์เวลากินไม่มีไม่มีดื่มมันก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่ติดแล้วเวลามันไม่มีเดื่มมันจะเดือดร้อนมาให้ติดรูปเสียงกลิ่นนั้นเพียงแต่ยกกาแฟยกบุหรี่ยกสุรายาเมานี้มาเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่า มันติดอะไรอย่างอ่งก็ติดได้ดูละครก็ติดได้ติดละครเล่นเกมก็ติดได้มันติดทั้งนั้นอ่ะคือรูปเสียงกลิ่นรสอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยเราเราไปทําแล้วมันจะติดขึ้นมาทันทีมันยกตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันสุขตอนที่เราได้เล่นได้ดื่มฮะแต่พอเวลาไม่ได้เล่นไม่ได้ดื่มมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานั้นทางที่ดีก็อย่าไปเล่นอย่าไปดื่มเลยดีกว่าแล้วจะไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ ดื่มน้ำเปล่าๆเนี่ยสบายร่างกายต้องการน้ำเปล่าๆเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการน้ำมีสีมีกลิ่นมีรสเลยกราบขอการท่านอาจารย์ค่ะคือเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันหลังจากที่เราไขใกล้ๆหน่อยจะเสียงแย่หนังอ่ะ เ, ออเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราก็พยายามที่จะพูดอะไรเท่าที่จําเป็นคราวนี้พอเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับโลกที่บางครั้งมันจะต้องมีส่วนที่มันเกินออกไป เราไปอยู่กับโลกนี่เราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบแบบนั้นคือถามก็ตอบกันตรงๆไม่ต้องอารมณบทมากมันก็เลยทําให้เราเป็นคนที่เหมือนกับหงุดหงิดอยู่ข้างในขุนเคืองอยู่เรื่อยๆ<ม>ก็ไม่รู้จะจัดการตรงนี้ยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่พูดตรงเกินไปทําให้ทําให้มันมันมันอยู่กับเขาลําบากเขาก็ไม่เข้าใจเราเขาจะทําไมทําไมเราต้องตรงขนาดนี้ครานี้เนี่ยมันมันมันมันเป็นหนึ่ง ก็คือเราเองเนี่ยเราจะเอาจิตเราได้ยังไงด้วยความเมตตาเนี่ยเราจะอยู่ยังไงตรงนี้อ่ะเจ้าค่ะคือเราไม่รู้เขารู้เรานั่นเองเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเราก็เลยทุกข์เชี่เราต้องรู้เขาแล้วปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างอื่นเข้าใจไหมเขาเป็นส้มก็อย่าไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเราไปอยากให้เขาเป็นกล้วยเอง เราอยากจะให้เขาพูดตรงไปตรงมาเหมือนกับเราอยากเราพูดใช่ไหมแต่เขาไม่พูดตรงไปตรงมาเราก็เกิดความลาคาญใจขึ้นมาเพราะนี่เป็นเขาเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จักเขาเนี่เราต้องรู้จักเขาเมื่อเรารู้จักเขาแล้วเราจะได้ไม่ไปอยากไปเปลี่ยนเขาอเขาไม่พูดตรงไปตรงมาก็โอเคไม่พูดตรงไปตรงมาก็ปล่อยเขาพูดไปตามเรื่องของเขาเราอยากไปอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาเราก็จะไม่หงุดหงิดลาคาญใจ ส่วนตัวเราเองก็เหมือนกันเราชอบพูดตรงไปตรงมาถ้าเขาถ้าเรารู้ว่าเขาไม่ชอบเราก็ต้องปรับ ก, การพูดของเราเพราะเราต้องการจะอยู่กับเขาใช่ไหมถ้าเราไม่ต้องการอยู่กับเขาก็ Level, เราก็ไปอยู่คนเดียวเราก็จะพูดตรงไปตรงมาก็ได้อย่างอาตมาเนี่ยพูดตรงไปตรงมาได้เพราะเราอยู่คนเดียวได้การจะมาไม่มาเราก็ไม่ว่าอะไรพูดตรงไปตรงมาไม่พอใจไม่มา อ, อาะไรก็ไม่ว่าอะไรเราก็ไม่เสียใจ นี่คืออยู่ที่ตัวเราเรื่องนี้ต้องอยู่ที่ใจเราใจเราต้องไม่มีความอยากกับอะไรแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับอะไรตอนนี้เราอยากให้เขาเป็นอย่างอย่างเราอยากให้เขาพูดตรงไปตรงมาเหมือนเราพอเขาไม่พูดก็ทำให้เราไม่สบายใจหงุดหงิดใจส่วนเราก็อยากจะพูดตรงไปตรงมาพอตรงไปตรงมาก็อยู่กับเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เข้าะใจยัง ทางบ้านทางถ่ายทอดสดอ่ะ YouTube ก่อนหรือ Facebook ก่อน YouTube ไม่มีค่ะอันนี้ YouTube เท่าไหร่ก่อนดูเท่าไหร่ยี่สิบแปดค่ะอ่าแล้วเฟซ a c e b o o k วันนี้สองร้อยตอนนี้สอง้อยี่สิสามค่ะอ่าขึ้นขึ้ น, นลงลงคคำถามจาก Facebook Live คำถามจากคุณปัทมาพร การนั่งสมาธิจุดสูงสุดของการนั่งคือการที่เรารับรู้ถึงความสงบใช่ไหมเจ้าคะคือเข้าสู่เบคคาสักแต่ว่าราความคิดปรุงแต่งทั้งหลายสงบตัวลงความสุขที่เกิดจากความสงบเกิดขึ้นมาแล้วถ้าโยมเกาะกับการบริกรรมพุทโธพอถึงระยะหนึ่งรู้สึกอึดอัดก็เปลี่ยนมาเป็นนับลมหายใจเข้าและออกพอจับอารมณ์นี้ได้ซักระยะ มันกลายเป็นเรานับไปเรื่อยๆความสงบที่เราเคยเจอมันหายไปเลยเปลี่ยนมาจับความรู้สึกกระทบของลมเข้าออกโยมเลยมีความสงสัยว่ามีวิธีไหนที่จะสามารถทําได้แบบยาวๆหรือเป็นเพราะใจเรายังไม่นิ่งพอคะสติยังมีกําลังไม่พอใจมันยังดิ้นอยู่มันกระจับปลานี่ถ้ามือเรามีกําลังไม่พอ พอจับปลามันมีกำลังมากกว่ามันก็ดิ้นหลุดจากมือเราไปได้ถ้ามือเรามีกำลังมากกว่าปลามันก็จะดิ้นจากมือเราไปไม่ได้ดังนั้นถ้าจิตยังไม่สงบนี้แสดงว่าสติเรายังมีกำลังไม่มากพอเราต้องสร้างสติก่อนขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพุโทโธพุโทโธไปจนให้มันติดเป็นนิสัย จะทำอะไรก็พุโทโธพุโทโธไปไม่ไปคิดเรื่องต่างๆนานาพอเวลามานั่งมันก็จะอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมอย่างเดียวแล้วมันก็จะเน่งได้อย่างรวดเร็วมีคำถามไหมครับถามโยมมีคำถามานึมคะเอาเส้นนียถามได้คือเวลาที่หงุดหงิดเนี่ยก็แค่ว่าให้เรารู้รู้<ช>ว่ามันเกิดจากความอยากของเรา ถ้ารู้เฉยๆมันจะไม่หายต้องรู้ต้นเหตุของความหงุดหงิดความหงุดหงิดก็เจอเกิดจากความอยากของเราอย่างนี้ต้องหาว่าเรากำลังอยากอะไรแล้วดูว่ามันทำให้เราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็เปลี่ยนความอยากเสีย อ, อยากไปอยากคนอยากให้เขาไม่สูบบุหรี่เขาสูบเราก็หงุดหงิดขึ้นมาห้ามเขาให้สูบไม่ได้บอกให้เขาเลิกไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนใจถ้าไม่อยากจะสูบก็สูบไปเราก็จะหายหงุดหงิด คำถามจากคุณหนิงโยมนั่งสมาธิจะมีความสุขสงบและไม่สงบสวัดกันไปหากพิจารณาดูว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปมาเพราะนั่งบัลลังเดียวแต่มีความทั้งสงบสุขและฟุ้งสลับกันไปมาแบบนี้เอามาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงอันนี้จางอนัตตาได้ไหมคะ ได้แต่มันไม่เกิดประโยชน์เพราะเราเวลานั่งเราต้องการให้มันนิ่งให้มันสงบเราการพิจารณาแบบนี้มันก็ไม่นิ่งไม่สงบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเวลานั่งนี้เราไม่ต้องการพิจารณาเราต้องการให้เพ่งอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมอย่างเดียวหรืออยู่กับพุทโธอย่างเดียวแล้วมันจะทํานําไปสู่ความสงบได้ถ้ามานั่งดูว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดระดับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่มีวันที่จะสงบได้ คำถามจากคุณเล็กถ้าเราจะมองถึงอสุภะของคนอื่นเราต้องฝึกพิจารณานให้เห็นอสุภะในตัวเราก่อนจึงจะเห็นอสุภะของคนอื่นใช่ไหมคะเหมือนกันอ่ะของใครของเข า, ข อ, เ ข, าของเราก็เหมือนกันมีอวัยวะเหมือนกันสาสองเหมือนกันเป็นแต่เรามีมันถูกหนังหุ้มห่อไว้เลยมองไม่เห็นที่มันอยู่ภายในเราต้องทําหนังให้มันใสเหมือนถุงพลาสติกเนี่ยสิ่งที่จะทำให้หนังนี่ สายเหมือนทุงพลาสติกก็คือปัญญาก็คืออสุภะเราต้องดูภาพภาาใต้ผิวหนังบ่อยๆดูอยู่เรื่อยๆเช่นไปดูเวลาที่เขาผ่าศพอย่างนี้ถ้าไปได้ถ้าไปไม่ได้ก็ดูภาพที่เขาถ่ายมาหรือภาพที่นักศึกษาศึกษานักศึกษาแพทย์ก็ศึกษากันที่เรียกว่ากายวิภาคก็เพื่อจะได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกาย ถ้าเราเห็นภายในของร่างกายแล้วเราก็จะรู้ว่ามันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเพราะว่าอยู่ข้างนอกเขาสามารถที่จะปเปิดส่วนที่ไม่สวยงามได้สามารถที่จะปรุงแต่งให้เกิดดูแล้วสวยงามขึ้นมาได้ซึ่งเป็นความปลอมสวยงามปลอมความจริงแล้วร่างกายนี้มันไม่สวยงามยิ่งถ้าแก่ลงไปเรื่อยๆ ยิ่งเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งเวลาตายไปนี้มันหาความสวยงามไม่เจอเลยต้องดูต้องดูภาพเหล่านั้นบ้างอย่าไปดูตอนที่เขากำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันคำถามจากคุณอนิจจังลูกเริ่มนั่งสมาธิอย่างจริงจังเมื่อเริ่มเข้าพรรษาวันละประมาณห้าชั่วโมงโดยประมาณโดยอาศัยคำสอนของหลวงตาใน u t u b e และคาสอนของพระอาจารย์ ในเวลาตอบปัญหาธรร ม, มายึดเป็นแนวปฏิบัติการพิจารณาทุก์เวทนาเวลานั่งสมาธิลูกบอกตัวเองว่านี่คือเวทนามันเป็นทุกข์ไม่ยึดไม่คิดเอาไปไว้ที่ลมหายใจและพุโทโธแต่มันก็ยังรู้สึกปวดอยู่ดีแสดงว่าเรายังไม่ไม่ปล่อยจริงใช่ไหมเจ้าคะใช่สติเราไม่มีกำลังดึงมันออกมา ดึงให้มาอยู่กับลมดึงให้มาอยู่กับพุทธโธไม่ไหวมันยังอยากจะกลับไปหาความเจ็บยังอยากจะให้ความเจ็บหายไปอยู่ใหเราต้องสร้างสติให้มีมากขึ้นเวลาเจ็บแล้วพยายามบริกรรมพุทธโธให้มันถี่ขึ้นเลยอย่าไปคิดถึงความเจ็บแล้วถ้าสติมันมีกําลังมากมันก็จะดึงใจออกจากความเจ็บได้แล้วมันจะสงบแล้วจะไม่รู้สึกราคาญหรือ เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายยังพยายามสร้างสติขึ้นมาให้มากๆาําถามจากคุณชาร์ปการเจริญสติที่ถูกต้องคือการใช้บริกรรมพุโทโธกํากับกิจกรรมในชีวิตประจำวันทั้งวันหรือมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทั้งวันถึงจะถูกต้องคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งสองอย่างก็ได้ถ้าเราสามารถ ผูกจิตไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติถ้าเราดูงานที่เรากําลังทําอยู่แต่ใจยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามาด้วยถ้าเชือกเส้นหนึ่งมีกําลังไม่พอก็เอาส อ, สองเส้นได้ดูงานที่เราทําแล้วก็บริกรรมพุโทโธควบคู่ไปด้วยก็ได้แล้วมันก็จะดิ้นไม่ดิ้นไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ คำถามจากคุณกรแก้วการนั่งสมาธิของตนเองนั้นประเมินได้ว่าพัฒนาขึ้นคือสามารถนิ่งสงบได้เร็วขึ้นแต่เวลาในการนั่งสมาธิยังคงนานเท่าเดิมคือประมาณ30นาทีเรียนถามพระอาจารย์ถ้าจะพัฒนาให้นั่งได้นานขึ้นควรทำอย่างไรคะก็ฝืนนั่งต่อไปเมื่อถึงเวลาจะออกก็อย่าอย่าออก พยายามสร้างสติขึ้นมาดึงจิตให้ดึงสติขึ้นมาให้อยู่กับลมต่อไปให้อยู่กับพุโทโธต่อไปแล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นไปเรื่อยๆแม่เช่นนั้นพอมันถึงตรงนั้นมันหมดกาลังมันก็จะไม่อยากจะนั่งต่อเราต้องบังคับให้มันนั่งต่อด้วยการบริกรรมพุโทโธขึ้นไปใหม่หรือดูลมหายใจขึ้นไปใหม่อย่าขี้เกียจอย่านั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆนี่มัน อาศัยสติที่ที่เราได้สร้างเอาไว้พอสติที่เราสร้างไว้มันหมดกำลังมันก็จะนั่งไม่ได้เราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาใหม่เหมือนเติมน้ำมันรถใหม่พอน้ำมันรถหมดแล้วเราก็ต้องเติมน้ำมันรถมันถึงจะวิ่งต่อไปได้พอเรานั่งสมาธิจนหมดกำลังที่จะนั่งเราก็ต้องเจริญสติขึ้นมาใหม่พุโทโธพุทโธขึ้นมาใหม่แล้วมันก็จะนั่งต่อไปได้คาถามจากคุณฝน เราพาสัตว์เลี้ยงไปทำหมันเราจะบาปไหมคะไม่บาปคาถามจากคุณบีเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์หลายท่านมีเทวดามาใส่บาตรอยากทราบว่าอาหารที่เทวดาใส่นั้นเป็นอาหารทิพด้วยหรือเปล่าค ะ, ะก็เทวดาก็เป็นร่างทิพกายทิพอาหารก็ต้องเป็นอาหารทิพใจก็ที่รับประทานอาหารก็เป็นร่างทิพเหมือนกัน ไม่ได้กินผ่านทางร่างกายกินผ่านทางใจคำถามจากคุณพัทธารวดีก่อนสวดมนต์ต้องสวดบทชุมนุมเทวราก่อนหรือเปล่าคะไม่จำไม่รู้แล้วแต่ว่าเราไปเรียนที่ไหนเขาสอนอย่างไรถ้าพูดถึงการปฏิบัตินี้จะสวดไม่สวดไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรการสวดก็เป็นการภาวนาแบบหนึ่งคือบางทีใจเรายังพุ่งมาก ถ้าให้ดูลมมันจะไม่ยอมดูให้พุโทโธจะไม่ยอมพุโทโธแต่ให้สวดมันจะสวดก็แสดงว่าเราก็ควรจะสวดไปก่อนพอสวดแล้วมันก็จะทำให้ใจสงบลงได้ในระดับหนึ่งพอที่เราจะได้ดูลมต่อไปได้เนี่นั่นก็แล้วแต่ใจของเราว่าเป็นอย่างไรถ้าเวลาเราจะนั่งสมาธิถ้าเรายังนัตดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้เราสวดมนต์ไปก่อนได้เราก็สวดมนต์ไปก่อน ส่วนบทสวนมนต์นี่จะสวนบทไหนนี่มีค่าเท่ากันเพราะมันทำหน้าที่เหมือนกันก็คือยับยั้งใจไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นจะสวดบทไหนจะชุมนุมเทวดาหรือไม่ชุมนุมเทวดาอันนี้ถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัติแล้วไม่ไม่ไม่ไม่ไมสำคัญ แต่ถ้าไปเรียนตามสำนักเขาเขาให้ความสำคัญว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างงี้ก็ไม่อยากจะไปขัดใจเขาไม่อยากจะไปอขัดคำสอนของเขาแต่ถ้าทางสายเราที่เราปฏิบัติกันนี้เราแทบจะไม่มีการสวดมนต์กันเราก็จะนั่งเลยไม่ต้องมาไหว้ครูให้เสียเวลาขึ้นเวทีก็ต่อกันเลยการสวดมนต์ก็เป็นเหมือนการไหว้ครู ถ้าดูพดูลมหายใจหรือพุทโธพุทโธนี่ก็คือว่าซัด ก, กันเลยขึ้นเวทีก็เอากันเลยแล้วแต่แล้วแต่ใจของเราว่าเราทําอย่างไรทําอย่างไรแล้วทําให้มันสงบได้ผลก็ทําอย่างนั้นก็แล้วกันคําถามจากคุณกระสิตปฏีจิตเสื่อมแก้อย่างไรครับก็ทำให้มันเจริญสิ พยายามเจริญสติบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เจริญกลับคืนมาเองอย่างห้องตาท่านก็เคยเสื่อมท่านเคยนั่งสมาธิได้แล้วท่านไปหยุดนั่งแล้วท่านไปทํากรดอยู่เดือนหนึ่งสมัยก่อนพระต้องทําบริขารเองทํากรดเผื่อเวลาจะออกทุ ด, ดงจะต้องมีกรดมีมุง้งกรดไว้กันแดดกันฝนท่านก็เลยใช้เวลาทลํากฎใจก็คิดอยู่ก็เริ่มทํำกรดเลยไม่ได้อยู่กับพุโทโธ พอถึงเวลาจะมานั่งสมาธิมัน ไ, ไม่สงบใช่แล้วเมื่อก่อนนั่งปุ๊บก็สงบเลยตอนนี้นั่งไงก็ไม่สงบก็วุ่นวายใจใหญ่ยิ่งอยากให้สงบมันยิ่งไม่สงบใหญ่จนในที่สุดท่านก็กลับมาหาเหตุว่าทําไมไม่สงบก็เพราะว่าไม่พุทโธะท่านก็เลยกลับมาเจริญพุทโธใหม่เจริญสติใหม่พอเจริญสติพุทโธพุทโธไปสักพักห น, นึ่งเวลานั่งจิตก็กลับเข้าสู่ความสงบได้ งั้นถ้ามันเสื่อมก็แสดงว่าขาดสติแล้วสติเสื่อมแล้วก็ไปเจริญสติขึ้นมาใหม่เจ ร, ริญพุโทโธพุทโธขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาได้ก็พุโทโธไปเลยทุบพุโทโธไปทั้งวันจนกว่าเราจะมานั่งพอนั่งเรามีพุโทโธอย่างต่อเ น, นื่องมันก็เข้าสู่ความสงบได้เหมือนเดิมคําถามจากคุณพออยู่ที่ใจ ถ้าเราชาร์จแบตโทรศัพท์ในที่ทํางานจะเข้าข่ายผิดสินข้อที่สองไหมคะแล้วแต่บริษัทเขาอนุ ญ, ญาตหรือไม่ถ้าเขาอนุ ญ, ญาตกไม่ผิดถ้าเขาไม่อนุ ญ, ญาตเขาห้ามแล้วเราไปชาร์จก็แสดงว่าไปขโมยไฟของเขาโดยที่เขาไม่ได้อนุ ญ, ญาตคําถามจากคุณพินแคนเมื่อนั่งไปสักพักจิตไปเห็นอสุภะแล้วเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา ต่อไปต้องวางจิตอย่างไรเจ้าคะทั้งตอนในสมาธิและออกจากสมาธิมาแล้วคะ่ะอ๋อตอนเบื่อนายตอนนั้นไม่มีสาระสำคัญเลยขอให้ไม่เบื่อนายตอนที่อยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ดีกว่าไม่ใช่เบื่อหนายตอนนี้อยู่คนเดียวก็เบื่อหนายก็ไปเจอแฟนเบื่อหน่ายหายไปอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วก็ไปร่วมนอนกับเขาอย่างนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรการที่เราดูอสุภะเพื่อให้เบื่อหนายก็เพื่อ ตอนที่เราอยู่คนเดียวก็เป็นการซ้อมเป็นการทําการบ้านไปก่อนแต่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ใกล้แฟนแล้วเกิดมีความอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนตอนนั้นเราต้องเอาอาัตตาขึ้นมาเพื่อจะทําให้เกิดความเบื่อได้คําถามจากคุณคิสเคยนั่งสมัยวัยรุ่นกายหายเจอแสงสว่างลมหายใจละเอียดจนเข้าถึง ปัจจุบันขาหักเป็นอุปสรรคในการนั่งขอคําแนะนําเพราะขาตึงครับ อ, อ๋อเรื่องร่างกายนี้ไม่เป็นอุปสรรคของการนั่งสมาธิอุปสรรคที่ทําให้ใจไม่สงบคือไม่มีสตินั้นขอให้เรามีสติแล้วร่างกายเราจะอยู่ในท่าไหนเราสามารถเข้าเข้าสู่สมาธิได้เสมอถ้าเรานั่งขัดสมาธิไม่ได้เพราะขาหักเราก็นั่งห้อยเท้าไปหรือนั่งในท่าไหนก็นอนก็ได้ถ้าเรามีสติ กำลังมากเราจะนอนไม่หลับหรอกถ้ามีสติดีแต่ถ้าสติไม่ดีมันจะหลับง่ายงั้นก็ถ้าถ้ า, ถ, าถ้าไม่มีท่าอย่างอื่นต้องนอนก็นอนทําไปแต่ถ้ามีท่าอื่นยังทําได้นั่งได้ก็นั่งไปอาจจะไม่ได้นั่งขัดสมาธิาด้วยพระเพียนนั่งบนเก้าอี้ก็นั่งไปแล้วก็ขอให้มีสติดีๆมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกันคําถามจากคุณมงคล สตินำปัญญากับปัญญานำสติแตกต่างกันอย่างไรครับมันก็บอกอยู่แล้วตัวหนึ่งนำอีกตัวหนึ่งตามถ้าสตินำปัญญาก็แสดงว่าปัญญาตามสติถ้าปัญญานำสติก็แสดงว่าสติตามปัญญ า, าตามหลักความเป็นจริงนะมันสติต้องนำต้องมาก่อนสติเป็นตัวที่เปิดทางให้เกิดสมาธิเปิดทางให้เกิดปัญญาได้ ถ้าไม่มีสตินี้สมาธิกับปัญญาจะเกิดไม่ได้ยงนั้นต้องถือว่าสติเป็นตัวนำปัญญาถ้าไม่มีสติก็เหมือนคนบ้านคนบ้านี้ก็ไม่สามารถใช้ปัญญาแยกแยะสิ่งต่างๆได้แยกแยะเรื่องผิดถูกดีชั่วได้ถึงเรียกว่าเป็นคนบ้าเพราะไม่มีสติไม่มีสติที่จะให้ใจแยกแยะความผิดความถูกความดีความชั่วได้ ดังต้องมีสติก่อนมีสติแล้วถึงจะสอนสอนได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเช่นเวลาเราสอนเด็กนักเรียนเนี้ถ้าเด็กไม่มีสติเด็กก็จะลอยไปคิดถึงเกมคิดถึงอาหารคิดถึงขนมเวลาอาจารย์พูดอะไรมันก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาแต่มันจะไม่เข้าใจว่ากําลังพูดอะไรเพราะไม่มีสติอยู่การฟังสติไปอยู่กับขนมอยู่กับเกมแทน ต้องให้มีสติดึงให้มาอยู่กับการฟังให้ได้เมื่อมีสติอยู่การฟังพอฟังเรื่องผิดถูกดีชั่วก็จะเกิดปัญญาขึ้นมานี่คือการเรียนรู้คนที่เรียนเก่งก็เพราะมีสติดีคนที่สอบได้ที่หนึ่งนี่ส่วนใหญ่จะมีสติดีครูอาจารย์พูดร้อยคำก็รับได้ร้อยคำเลยคนที่มีสติไม่ดีอาจจะรับได้แค่ห้าสิบคครูพูดไปร้อยคารับได้แค่ห้าสิบค เวลาสอบก็เลยสอบได้แค่ห้าสิบคนที่รับได้ร้อยคำเวลาสอบก็ได้เต็มร้อยอยู่ที่สติสติจึงเป็นที่เกิดของปัญญาไม่ใช่ปัญญาเป็นที่เกิดของสติคําถามจากคุณบีมีพี่ที่เคยบวชบอกว่านั่งสมาธินานๆสามารถจะลับขาเปลี่ยนข้างได้ขณะนั่งจริงไหมคะได้ไม่มีใครห้ามเพียงแต่ว่ามันมันไม่สงบเท่านั้นเอง ถ้าจิตสงบแล้วมันไม่ต้องไปสลับไปทำหนัให้มันเสียเวลาเพราะเวลาสลับนี้ก็ทาว่าแสดงว่าจิตแล้วต้องทำงานแล้วจิตต้องมาสั่งให้ร่างกายขยับซ้ายขยับขวาถ้านั่งแบบนั้นก็ไม่ได้นั่งนั่งนั่งเพื่อความสงบนั่งเพื่อความสบายพอนั่งต้นท่านี้เจ็บก็สลับไปสลับขวาสลับซ้ายไปมันก็นั่งเพื่อความสบายทางร่างกายแต่มันไม่ได้นั่งสบายเพื่อจิตใจ ถ้าต้องการนั่งเพื่อความสบายของจิตใจต้องไม่สลัสดซ้ายสลับขวาต้องให้มันนิ่งให้มันสงบพอมันนิ่งมันสงบแล้วมันจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายคำถามจากคุณสิริวัลผ้าไตาจีวอไม่เข้าใจคำว่าผ้าไตาจีวอนคำว่า9าขันบอขันเวลาถวายจะทราบได้อย่า ง, างไรรูปไหน9้าหรือ11ขันคะ อ, อ๋อเรื่องขันนี่ไม่ต้องไปกังวลคำว่าขันก็คือผ้าจีวร น, นี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ทําเป็นผืนใหญ่ๆไม่ให้เป็นผ้าสําเร็จที่เป็นผืนใหญ่ๆเหมือนผ้าปูที่นอนอย่างเนี้เพราะว่ามันสวยมันดีท่านให้เอามาตัดให้เป็นชิ้นๆนำมามามามาปะใหม่มามาตัดมาเย็บต่อกันใหม่เพื่อจะได้กลายเป็นผ้าขาดเอาผ้าขาดมามาปะมาต่อกันเหมือนกับคันนาเีย พขนามันเป็นเหมือนเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นช่องๆไปถ้าผ้าดีเนี่ยผ้าที่เขาขายจากร้านส่วนใหญ่มันจะเป็นผ้าผืนเดียวไม่มีไม่มีรอยขาดไม่มีอะไรแต่พระท่านไม่ต้องการให้พระใช้ผ้าดีให้ต้องการให้ใช้ผ้าขาดเพราะจะได้ไม่ลหลงไหลกับเสื้อผ้าพรกีวรต่างๆสมัยแรกๆนี้ไม่มีผ้าสําเร็จ ต้องไปเก็บเศษผ้ามาสะสมมาไว้แล้วมาปะมาเย็บมาต่อกันจนเป็นผ้าจีวรผ้าผืนใหญ่ขึ้นมาตอนหลังมีคนมีศรัทธาซื้อผ้าแบบผืนเป็นผืนใหญ่ๆมาเลยท่านก็บอกให้ตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาต่อใหม่เพื่อจะได้เป็นผ้าที่ไม่มีใครต้องการที่คนที่อ้วนก็ต้องมีขันมากคือต้องมีหลายชิ้น9ชิ้นคนที่ผอมหน่อยก็ห้าชิ้นก็พอ นั่นก็ต้องดูว่าคนที่จะใส่นี่มีความกว้างเท่าไหร่แต่บางทีขันก็ไม่เกี่ยวห้าขันมันก็ใช่กับคนอ้วนหรือคนพ้อมได้เพราะขันนี่ไม่มีตัวกำหนดว่าจะต้องกว้างกว้างกี่กี่เซนกี่นิ้วคำว่าขันก็คือความกว้างของผ้าชิ้นเล็กๆแต่ละชิ้นที่เราจะมาต่อกันเย็บกันผ้าจีวรบางทีเขาเอาาชิ้นมาต่อกันเย็บกันก็เรียกว่าผ้าห้าขันบางทีเขาก็ตัด แทนที่จะแบ่งเป็น5ขัน ก, ก็แบ่งเป็น9ชิ้นแล้วก็มาปะมาต่อเย็บกันยันเรื่องขันนี้ไม่มีความสำคัญให้ดูที่ เ, เวลาจะดูนี่เขาจะดูที่ความความยาวความสูงของผู้สวมใส่ของพระนี่ก็จะมีตั้งแต่ 180, 1, 90, 2, 2, 1, 10, เม็ดแ0ดสเมตรเก้สองเมอเมสิบนี่ก็แล้วแต่ความสูงของผู้ที่ใส่ว่าสูงหรือเตีย้ยล้วเตี้ยก็เม็ดะดสิบ ถ้าปานกลางก็ประมาณสองเมตรถ้าสูงก็สองเมตรยี่สิบอะไรอย่างนี้ไปะยังไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องขันให้ใครคนที่เขาจะใส่เนี่ยเขากังวลกันญาติโยมไม่รู้ก็ซื้อไปเถอะมันจริงมันสูงมันมันยาวไปหน่อยมันสั้นไปหน่อยก็ไม่เป็นปัญหาเลยญาติโยมก็ดูไม่ออกเวลาผ้าห่มจีวรว่าได้ขนาดตรงเป๊ะหรือไม่อะยาวเกินไปหรือสั้นเกินไปมันก็มันก็จะดูที่ตรง ท่อนล่างเนี่ยระหว่างเข่ากับข้อเท้าเนี่ยถ้ามันยาวก็ยาวไปถึงข้อเท้าถ้ามันสั้นมันก็สูงขึ้นมาถึงหัวเขา่าแต่ก็ยังใช้ได้ก็ยังห่มได้อยู่ ย, ยายนย่าเดียมไม่ต้องกังวเลเรื่องขนาดของผ้าที่จะซื้อถวายพระก็ซื้อขนาดปานกลางก็แล้วกันขนาดกลางกางที่จะได้ทั้งใช้ได้ทั้งคนสูงคนเตีย้ยคนสูงก็จะสั้นหน่อยคนเตี้ยก็จะยาวหน่อยถ้าคนกลางๆ ก, ก็พอดี กางๆ ก, ก็ประมาณ2เมตรก็จะมีเมตร80เมตร90 2เมตร2เมตร10 2เมตร20ให้เลือกเอาถ้าเราไม่รู้ก็เอากลางๆเนี่เอาแค่2เมตรไปแล้วก็จะใส่ได้ท่านหน่อยยาวหน่อยไม่เป็นไรคําถามจากคุณปลาโมดนั่งสมาธิไปสักพักแล้วหลังเริ่มโค้งลงคอเริ่มงอลงพอรู้ตัวก็ ขยับจะให้ตรงเหมือนเดิมถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้งองนะต้องปล่อยอย่าไปสนใจพอเราเริ่มนั่งตอนก่อนจะนั่งนี่เราตั้งท่าให้ดีนั่งตัวให้ตรงแต่ไม่ต้องเกรงแล้วก็นั่งให้สบายแบบไม่อยากไปเกรงตรงแต่อย่าไปเกรงะพอเราตั้งท่าดีแล้วเวลาเริ่มภาวนาก็อย่าไปสนใจกับท่านั่งต่อไปให้สนใจอยู่กับบริกรรมพุทโธแล้วอยู่กับลมเทงอย่างเดียว จะมีความรู้สึกว่ามันงอบ้างเอง็นบ้างก็ไม่เป็นไรอย่าไปสนใจถ้าเราไปให้ความสาคัญแล้วเราจะไม่ได้ภาวนาแล้วใจเราจะไม่สงบใจเราจะมาวุ่นกับท่าของร่างกายในเวลานั่งแล้วอย่าไปสนใจกับท่าของร่างกายมันจะเกิดความรู้สึกอย่างไรไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ถ้ามันมาสนใจกับร่างกายมันก็จะคอยขยับซ้ายขยับขวาคอยทำให้มันตรงอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันนิ่งได้สงบได้เพราะใจต้องทำงานคำถามจากคุณสัญญาถ้าจิตตกคิดมากฟุ้งซ่านนั่งสมาธิได้ประมาณ 20-30 ถึงนาทีภาวนาพุทโธสลับกับการดูลมหายใจพอเริ่มจะนิ่งก็ปวดขาพอปวดขาแล้วทรมานมากค่ะขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยค่ะ ก็ต้องฝึกสติให้มากมากก่อนให้มีสติมากแล้วมันก็จะนั่งได้นานขึ้นหรือถ้ามันเจ็บแล้วลองสวดมนต์ไปได้ไหมถ้าดูลมไม่ได้พูดโธไม่ได้สวดมนต์ไปสวดบทใดไ ป, สว ด, ดไปสวดไปแล้วอย่าไปคิดถึงความเจ็บมันก็อาจจะผ่านความเจ็บไปได้เหมือนกันหมดแล้วเลยอก็หมดเวลาพอดีทางที่มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมไหม ถามได้นะตอนนี้เดี๋ยวปิดไม้แล้วก็ไม่มีหลังไม้แล้วน ะ, ะถ้าอย่างนั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านกำเนิที่ได้ยิยนได้ฟาในวันนี้ไปเี่นที่เจาราิญไปปฏิบัติเ้อผ่านศดความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งๆ่งขึ้นไป